นิ่งดีคัญมากให้หยุดนิ่งใช้ๆอย่างสบายๆแต่หยุดนิ่งได้ถูกส่วนซึ่งมันจะสูกส่วนไปเองเมื่อเราวางใจเป็นมันก็จะเห็นภาพขึ้นมาเองจะชัดขึ้นมาเองใสขึ้นมาเองสว่างขึ้นมาเองชัดใสสว่างขึ้นมาเองนะจ๊ะ ไม่ใช่เราไปทำให้มันชัดให้มันใสให้มันสว่างมันจะชัดจะใสสว่างขึ้นมาเองพร้อมกับใจที่สบายเบิกบานนี่ตรงนี้สำคัญการเห็นได้เป็นผลพลอยได้เพราะฉะนั้นบางท่านนั่งแล้วไม่เห็นเนื้็กลุ่มใจใน่านั่งแล้วไม่ได้ผลไม่ใช่นะลูกนะมันต้องเป็นขั้นเป็นตอนไปบางคนนะ่ะเขา ทำมาบ่อยๆข้ามพบข้ามชาติมาซึ่งมันเป็นบางคนตอนนั้นอันนานจะเจอสักคนหนึ่งเขาก็เห็นได้ชัดเจนมากบางคนก็ชัดเจนบางกลางเมื่อเริ่มตนใหม่แต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยชัดเจนจะลโลล่งๆเหมือนเราเอาของไปตั้งไว้ในที่สลัวที่มุมมัวนงินส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยจะเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าหากว่ามันนิ่งแต่มันไม่เห็นก็อย่าไปทุรนทุรายกระสรับกระสายตีโพยตีพายนะลุงนะมันเป็นเรื่องธรรมดาเนะี่เราจะต้องเริ่มจากขั้นนี้ไปก่อนเมื่อใจนิ่งนะครับมันก็จะสบายมันจะโล่งโปร่งเบาสบายไปเองเดแต่มันก็สว่างขึ้นมาทีละน้อยจนกระทั่งสว่างมาก มาสว่างมากเดี๋ยวมันก็เห็นภาพมันก็เป็นขั้นเป็นตอนกันไปอย่างนี้นะอย่าไปลํำคานอย่าไปตีโพยตีพายว่าเราคงจะไม่มีบุญวาสนาได้เห็นธรรมกะกรเขา้าบุญเราคงน้อยอย่าไปคิดอย่างนี้นะลูกนะเดี๋ยวมันจะท้อแลวที่คิดนันมันก็ไปถูกด้วยความจริงเรามีบุญมากแต่เราได้ยังทําไม่ถูกวิธี เหมือนลูกไก่ที่อยู่ในกระเปาะไข่เนี่ยถ้ามันยังไม่ถึงเวลาเนี่ยมันยังไม่ฟักออกมาเป็นตัวหรอกแต่เราไปเร่งวันเร่งคืนเนี่ยเอาไม้ไปทุบมันนอกจากว่าจะเปรืองแรงแล้วนี่ยยังไม่ได้ลูกไก่มาให้เชยชมสิมีแต่ไข่ขาวไขแดงอย่างนี้นแหละเลอะเทอะไปหมดมันต้องถึงเวลา ถึงขี่ถึงข่าวเราต้องหมั่นสังสมความละเอียดมันสังสมการหยุดการนิ่งนะลูกนะมันเป็นอย่างนี้แหละฉะนั้นเรานั่งไม่เห็นน่ยเปนเรื่องธรรมดานะลูกนะเอาให้มันนิ่งซะก่อนเห็นเป็นเรื่องรองลงมาเพราะยังไงเราก็ต้องเห็นอยู่ดีที่นี่เวลานั่งบางท่านเนี่ย เพิ่งกลับมาจากที่ทํางานมันง่วงถ้า ง, ง่วงก็ให้ปล่อยให้มันหลับไปนะอย่าไปฝืนนะลูกเนะืแต่หลับต้องมีเทคนิคหลับแล้วต้องได้บุญจิตต้องบริสุธิ์ด้วยหลับมันในกลางกายนั่นแหละแต่หลับแล้วเนี่ยพอเรารู้สึกตัวมันร่างกายจิตใจสดชื่นแล้วมันจะตื่นขึ้นมา ก็ทําความเพียรกันต่อไปเริ่มต้นมาอย่างง่ายๆเรื่องจาไว้ว่าทั้งง่วงก็ให้มันหลับไปแต่หลับในกลางทําเมื่อยก็ขยับจะไปฝืนอริยาบทเป็นนั่งเกร่งเคลียดเกรงมันจะโปวดนั่นโปวดนี่แต่เมื่อยล้วก็ขยับเอาแต่อย่าให้กระเทือนคนข้างๆเขาก็แล้วกันให้เบาๆนะลุงนะบางทีคนข้างๆใจก็คงกำลังเฉียด ถ้าเราไปขยับแรงเนี่ยมันไปกระทบกระเทือนถึงใจเขาใจเขาก็จะถอนขึ้นมาเพะนั้นต้องค่อยๆเราต้องเอื้อเฟื้อต่อพี่น้องวงธรรมะของเราเนี่เพราะนั้นง่วงก็ให้หลับเมื่อยก็ขยับถ้าฟุ้งก็ภาวนาสัมมาอรหังแต่ถ้าหากว่าภาวนาแล้วมันยังสู้ไม่ได้ก็ลืมตา เลื่มตามามองดูคุณยายของเรานะ่ะดวงตาท่านใสปิ้งเต็มเปลี่ยมด้วยความเมตตาและความเด็ดเดี่ยวแล้วทรงภูมิรูปภูมิทาอะไรอยู่ในดวงตาของท่านนะดูแล้วเราจะอบอุ่นใจใจเราจะสบายจะเยือกเย็นพอหายฟุง้งเราก็หลับตาใหม่ ปรับเปลี่ยนแปลงยุทธวิธีกันอย่างนี้นะลุงนะพอเราทำให้กายสบายใจยสบายเอาใจร่างกายเขาสหน่อยเอาใจสังขารเขาสัหน่อยพอเขารู้สึกสบายเนี่ยอีกหน่อยเขาก็จะตามใจเราคือเราจะเอาไงเขาก็จะเอาอย่างนั้นแหละตอนแรกให้ตามใจเข้าไปก่อน พอตอนหลังเนี่ยเขาจะตามใจเราเนี่ยจาตรงนี้ให้ดีนะลูกนะจาถ้าจาตรงนี้ได้และทาแบบนี้ไม่ช้าการเข้าถึงธรรมก็จะอยู่ในกรรมมือของเราเลยไม่ว่าจะนั่งอยู่ตันหน้าหลวงพ่อตรงนี้หรือตามศูนย์่งต่างทั่ปประเทศหรือต่างประเทศทั่วโล ก, ก็ตามทําทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้น เดี๋ยวเราจะสมหวังดังใจมีความสุขมากทีเดียวชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางต้องมันสั่งสมในทุกอริยาบทนะลูกนะนอกจากนั่งแล้ว่เวลายืนเวลาเดินเวลานอนเราก็ตรึกเอาไว้เวลาเราเข้าไปอาบน้ําล้างหน้าแปลงฟันขับถ่ายในห้องน้ําำเราก็ตรึกเอาไว้ ไม่บาปนะลูกนะอย่าไปเข้าใจผิดวันนั่งนึกดวงนึกองค์พระในห้องน้งําเวลาขับถ่ายมันจะบาปเป็นสถานที่ไม่สมควรไม่ใช่นะลูกนะการทำความดีทำจิตให้บริสุทธิ์เราต้องทำทุกอริยบทและทุกสถานที่และทุกกิจวัตรทุกกิจกรรมนะไม่ว่าจะทำมาค้าขายจะตีก๊อ หรือว่าจะทำงานการภารกิจอะไรกันแล้วแต่ตรึกเอาไว้บางคนไปเห็นดวงไสอตอนตีกอล์ฟอะคือใจตรึกตรงกลางแล้วก็ตีไปพระลูกบลงหลุมใจก็ตกศูนย์พลวัวเห็นดวงไสในกลางตัวเลยนี่ก็มีเมื่อกันคือเราใช้ทุกกิจวัตรทุกกิจกรรมนะให้นำมาซึ่งบุญ นำมาซึ่งความบริสุทธิ์นำมาซึ่งการหยุดการนิ่งอย่างนี้เรียกว่าไม่ประมาทไม่จะลาใจโกกเหมือนไม่ไก่กกไก่นั่นแหละคือเพียนเฝ้ากกจนกว่าจะเป็นตัวแต่เพียนเฝ้าโกกไข่อย่างนั้นเวลาไปหาอาหารจะต้องใจจดจอ่ออยู่ที่ฟองไข่เดี๋ยวก็กลับมาโกกไข่ จนกว่าจะเป็นตัวเราก็ต้องกกใจของเราเนี่ยอยู่กลางกายให้เหมือนแม่ไก่โกไข่นะลูกนะเดี๋ยวใจเราจะใสใจเราจะละเอียดทีเดียวจะเข้าถึงทำอย่างง่ายได้อย่างสบายๆ บ, บางคนเข้าถึงทำตอนทอดป่าท่องโกนี่เป็นเรื่องขาดไปถึงทีเดียวแหละ ว่าเออทอดปลาท่องโก้เนี่ยใจกำลังจดจ่อจดทอดแล้วก็จะขายเนี่ยแล้วจะไปเห็นทำได้อย่างไรค <c oughs> ือก็ทาจนเคยชินเนี่ยสัมมาหังไปทอดไปเพื่อที่จะให้เกิดอานิสงส์ปลาท่องโก้นี้เนี่ยใครได้รับประทานแล้วให้อร่อยให้มีรสโอชาให้ไปช่วย ปรับรุงร่างกายสังขายเขาให้แข็งแรงให้สดชื่นใจก็นึกเป็นกุศลนี่แล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งนะสิ่งที่ตัวได้สั่งสมเอาไวนะ้มันก็เกิดการรวมตัวจนถูกส่วนพลุ่งลงไปในกลางกายเลยเห็นดวงใสลอยมาจากกลางกายมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดมื อ, อยังค้างอยู่ในกระทะเลยเนะี่ย นี่จะจับพราจจนัขี้เราต้องโกอยู่อย่างข้างเลยเนี่ยใจสบายแม้เหงื่อจะออกเพราะความร้อนจากเตาเนี่ยแต่ภายในเย็นช่ำทีเดียวนะจ๊ะจำวิธีการนี้เนี่ยเอาไปใช้ในทุกสาขาอาชีพนะนอกจากเราจะได้บุญจิตจะบริสุทธิ์สั่งสมการหยุดนิ่งแล้วนะ ยังจะรวยด้วยทำอย่างนี้แหละทำไปเรื่อยๆ อ, อย่าให้ชีวิตมันผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์หายใจทิ้งเปล่าอย่างนั้นไม่เอานะลุงนะเรามีเวลาจำกัดในการสร้างบารมีใช้ให้มันทุกอ น, นุวินาทีให้เป็นไปเพื่อ ก, การสร้างบารมีเป็นไปเพื่อ ก, การสแสวงหา ธรรมะภายในหาที่พึ่งภายในหาพระราตนาตรัยในตัวแล้ววิมานคือบ้านบนสวรรค์ของเรานะที่เราจะต้องไปอยู่ตอนที่เราละโลกไปแล้วนะจะได้สุขใสสว่างไม่อายชาวสวรรค์เขาเวลาเขาถามว่าได้วิมานอย่างนี้มาด้วยบุญอะไรเราก็จะได้ตอบอย่างองค์อาจ อย่างเบิกบานใจและก็อยากใจเขาถามด้วยซ้ำไปต้องเป็นอย่างดีทุลุกนะเมื่อข้าจดีแล้วต่อจากนี้ไปทำใจให้ไซสไซสให้เยือกเย็นให้บริสุทธ